เรื่องที่ส0ช่างทำช่างติอาโกทำไมลือคิดแพงนักละ่ะไม่แพงหน่ามันทำยากไม่ใช่ง่ายง่าอวก็รู้แล้วว่ามันยากแต่แหมลื้อคิดแพงอย่างกะค่ากาเนิดช่างทองเนี่ยหรือไม่รู้อะไรช่างไม้สิยากกว่าช่างทองใครบอกช่างไม้อะไรยากกว่าช่างทอง พวกช่างทองเขาต้องระวังแม้แต่เศษนิดเดียวก็ไม่ทิ้งช่างไม้สิเลื่อยกันโครมโครมน้อยหรือบอกว่ายากกว่าช่างทองหรือไม่รู้ช่างทองอีตัดทองผิดแล้วอี ก, ก็ต่อใหม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วช่างไม้ล่ะช่างไม้ตัดไม้ผิดแล้วต่อให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกได้ที่ไหนล่ะหรือไม่รู้เ อ, อจริงของหรือช่างไม้ยากกว่าช่างทอง อาโกจีนช่างไม้ให้ความรู้ใหม่แก่ข้าพเจ้าและนะับตั้งแต่อาโกได้ประสิทธิประสาทประชญาช่างไม้ให้ข้าพเจ้าตั้งแต่ปีนั้นแล้วข้าพเจ้าได้รู้จักหัวใจช่างไม้ดีขึ้นเปน็นอันมากเกือบจะว่าทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีธุระกับช่างไม้ข้าพเจ้าเป็นต้องนึกเสมอว่าท่านอาจารย์อาโกเคยสอนว่าช่างไม้ยากกว่าช่างทอง ยิ่งหันมาพิจารณาคติของคนโบราณและคําสอนของศาสนาก็ยิ่งเห็นจริงตามที่ยาโกสั่งสอนไว้ชัดเจนขึ้นวิชาช่างปลูกสร้างบ้านเรือนของคนโบราณท่านวางสูตรไว้สั้นๆว่าให้ปลูกเรือนตามใจคนอยู่หมายความว่าถ้าจะปลูกบ้านให้ใครก็ต้องทําให้มันถูกใจของคนนั้นคือทําตามใจของเขาไม่ใช่ทําตามช่าง จะเจาะหน้าต่างกี่รูจอบประตูกี่ช่องกงตามใจเจ้าของเขาอะไรอะไรถ้าทำให้มันถูกใจเขาเสร็จแล้วก็เสร็จเรื่องเพราะฉะนั้นสูตรวิชาช่างที่ว่าปลุกเรือนตามใจคนอยู่จึงเป็นสูตรที่ใช้การได้ดีจนทุกวันนี้แต่จะอย่างไรก็ตามการถือสุภาษิต ท, ทุกอย่างก็ต้องมีเงื่อนไขเฉพาะอย่างยิ่งสุภาษิตของช่างจะต้องมีส่วนประกอบอยู่มากทีเดียว แม้ว่าช่างจะถือสุภาษิต ท, ที่ว่าแล้วอย่างเคร่งครัดก็ตามก็ยังมีเรื่องที่จะทำให้จุกจิกหัวใจอยู่อีกหลายกระแสถูกแล้วที่คนโบราณท่านว่าให้ตามใจคนอยู่แต่ถ้าในกรณีที่คนอยู่มีสองคนและต่างคนต่างใจละ่ะช่างจะตามใจใครคุณผู้ชายก็ชอบไปอีกอย่างหนึ่งคุณผู้หญิงก็ชอบไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็โตด้วยกันทั้งคู่ นี่สิเรื่องใหญ่คู่สัญญาคือคุณผู้ชายแต่คนจ่ายเงินคือคุณผู้หญิงข้าพเจ้าไม่ใช่ช่างแต่เคยรู้จักกับช่างมามากและเคยพบเห็นปัญหาที่ว่านี้บ่อยบ้านหลังเดียวแต่คนอยู่มีสองคนพอความหินขัดกันก็มาหาทางเบ่งเอากับนายช่างผัวสั่งให้ช่างทาจนกระทั่งมุงหลังคาแล้วเมียเกิดบอกว่าฉันไม่รู้ ปลูกบ้านภาษาอะไรอุดอู้อย่างกิจะทำให้แมวนอนอย่างนี้แย่อีกอย่างหนึ่งที่ท่านนักก่อสร้างจะลืมเสียไม่ได้คือโรงเรียนและวิทยาลัยการช่างเต้าที่รัฐบาลตั้งขึ้นและทำการสอนอยู่เวลานี้มีวิชาช่างแขนงเดียวเท่านั้นคือช่างทำซึ่งเป็นช่างส่วนน้อยของแผ่นดินยังมีช่างส่วนใหญ่อยู่อีกประเภทหนึ่ง เป็นช่างนอกหลักสูตรคือช่างติช่างประเภทนี้บางทีคนโบราณเรียกว่าช่างปากเป็นฝ่ายตรงข้ามกับช่างทมท่านว่าช่างทมหายากช่างปากหาง่ายที่เป็นดังนี้ก็เพราะช่างทมต้องเรียนต้องสอบแต่ช่างปากเขาไม่ต้องสอบไม่ต้องเรียนไม่ต้องใช้ทุนไม่ต้องใช้เครื่องมือมีแต่ปากปากเดียวก็ติได้ ทั้งทั้งที่ตาไม่เห็นเสียด้วยซ้ำคำของช่างโบราณอีกเหมือนกันว่าไว้ว่าช่างกลึงพึ่งช่างชักช่างสลักพึ่งช่างเขียนช่างติไม่ต้องพึ่งใครบรรดาช่างทำทั้งปวงที่เคยผ่านงานมาแล้วน้อยคนที่จะไม่เคยปวดหัวเพราะช่างติเพราะช่างประเภทนี้มีอยู่ทุกหทุกแห่งไม่ว่าช่างทำจะทำงานอะไรขึ้นมาเป็นต้องเจอเสมอ ที่ร้ายที่สุดคือพวกช่างติมักจะเริ่มงานของเขาต่อเมื่อพวกช่างทาได้ทำเสร็จแล้วมาติเอาเมื่อมันหมดเวลาและหมดวิธีแก้ไขแล้วก็แบะทางออกให้เราไว้ทางเดียวคือลดเงินซึ่งเป็นทางที่พวกช่างทาเกลียดที่สุดในสมัยต่อมาพวกช่างทาได้พยายามคิดค้นหาทางป้องกันช่างติจนได้วิชาใหม่ขึ้นมาในวงการก่อสร้างแขนงหนึ่งคือ วิชาแบบแปลนคือเขียนส่วนสัตว์ต่างๆของบ้านลงในแผ่นกระดาษดูกันให้แน่ๆก่อนใครอยากติตรงไหนก็ติเสียให้พอฉีกทิ้งเสียเขียนใหม่ก็ยังได้หากไม่ชอบใจปล่อยให้ติกันจนเตียนแล้วค่อยตกลงราคามีรายการละเอียดทำสัญญากันไว้ให้มั่นคงวิชาแบบแปลนความจริงก็เป็นส่วนหนึ่งของสูตรที่ว่า ปลูกเรือนตามใจคนอยู่นั่นเองแต่ช่วยพวกช่างทําให้อุ่นใจขึ้นได้มากวิจัยเขียนแบบแปลนจึงเป็นที่นิยมควบคู่กันมากับวิชาช่างจนทุกวันนี้แต่แม้กระนั้นมรสุมของพวกช่างทําก็ไม่ใช่ว่าจะหมดสิ้นลงไปเสียทีเดียวงานช่างยังมีปัญหาอยู่อีกมากที่อาจไม่ได้กล่าวไว้ในตําราเรียนจําไว้ง่ายๆว่าตราบใดที่ต้นไม้มันยังมีเสี้ยน ช่างทำก็ยังมีหวังที่จะถูกเสียนตา ม, มืออยู่ตราบนั้นหากไม่ระวังตัวให้ดีเสียนอันเล็กนิดเดียวอาจทำให้มือไม้บวมปวดร้าวถึงขั้วหัวใจก็ได้เพื่อความปลอดภัยแก่พวกช่างพระพุทธเจ้าซึ่งก็ทรงเป็นช่างทาผู้หนึ่งเหมือนกันได้ทรงวางหลักธรรมไว้ดังนี้ 1. นฉันทะต้องเต็มใจทํา 2. วิริยะต้องแข็งใจทำ 3. จิตตะต้องตั้งใจทำและสวิมังสาต้องเข้าใจทำธรรมะทั้งสี่ข้อนี้หากช่างทมคนใดพยายามปลูกฝังไว้ในใจให้มากพอแล้วจะช่วยให้การดำเนินงานได้ผลดีขึ้นอีกเป็นนั้นมากหากจะถอดเอาหัวใจข้อธรรมะทั้งสี่ออกมาก็ได้4ี่คำคือชะวิจิวิสคํคำนี้เป็นมนช่างทำเสกไว้เสมอ ลูกน้องจะเกรงกลัวช่างติก็จะเกรงใจและป้องกันเสี่ยนตํามือดีนักแหลคิดไปคิดมาก็เห็นจริงตามปรัชญาของอาโกช่างไม้ยากกว่าช่างทองจริงของแกพวกช่างไม้มีเรื่องจุกจิกหัวใจอยู่อีกแยะเพราะต้องปลูกเรือนตามใจคนอยู่ถ้าเผื่อคนอยู่มีสองใจถ้าเผื่อแต่ละใจเป็นช่างติ และถ้าเผื่อช่างติเกิดถือโชคถือลางเข้าด้วยกว่าจะปลูกบ้านเสร็จแต่ละหลังช่างทาถึงกะต้องกินน้ำใบโบบกก็มีถ้าจะให้ดีพวกช่างทาเราหาทาใส่ใจไว้ให้พอจะปลอดภัยดีกว่าปล่อยใจตามยถากรรม